ดีสมัยนี้ก็สะดวกสบายใช้ระบบไร้สายใจเรากับใช้ระบบไร้สายเหมือนกันแต่ตอนนี้เราต้องใช้ร่างกายเป็นสายติดต่อกันถ้าไม่มีร่างกายก็ติดต่อกันไม่ได้นอกจากพวกที่เขาเข้าระบบไร้สายพวกที่เข้าชานเข้าสมาธิเขาก็สามารถติดต่อกับจิตได้โดยตรง ไม่ต้องใช้ร่างกายเช่นคนอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้ก็สามารถรับรู้ความคิดของผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องให้ผู้อื่นเขาพูดออกมาว่ากำลังคิดอะไรอันนี้ก็เป็นเหมือนระบบไร้าสายการเข้าสมาธิก็เป็นการเข้าระบบไร้าสายคือไม่ต้องใช้ร่างกาย ร่างกายนี้เป็นเหมือนสายไว้สำหรับติดต่อเรามีร่างกายไว้สำหรับติดต่อกับจิตของผู้อื่นจิตของผู้อื่นก็ต้องมีร่างกายอย่างเช่นตอนนี้จิตของเราติดต่อกันผ่านร่างกายของเราจิตพูดออกมาทางปากแล้วก็เข้าไปในทางหูของของจิตอีกท่านหนึ่งแล้วพอเข้าไปในหู ก็ส่งไปที่วิญญาณวิญญาณก็คื อ, อขันห้าขันที่เป็นอาการของจิตวิญญาณเป็นผู้รับรูปรูปเสียงกลิ่นรสผลตภ ะ, ท, ะที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลินกายพอเข้าไปที่วิญญาณแล้ววิญญาณก็ส่งไปให้ที่สัญญาสัญญาต้องแปลความหมายว่า เป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเช่นเห็นภาพสัญญาก็ต้องดูว่าภาพนี้เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าเห็นคนนี้เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าถ้าเห็นก็จะจำได้ว่าชื่ออะไรอันนี้เรียกว่าสัญญาหรือเห็นรูปแล้วก็ดูว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นศัตรูหรือเป็นมิตร อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสัญญาพอสัญญาบอกว่าเป็นมิตรก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสุขเวทนาเกิดความดีใจถ้าสัญญาบอกว่าเป็นศัตรูก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจทุกข์ใจพอเกิดความไม่สบายใจก็เกิดสังขารความคิดปรุงแต่ง ถ้าไม่สบายใจก็ทำอย่างไรดีจะทำให้สิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจหายไปจะเดินหนีไปดีหรือว่าทำลายสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจถ้าเป็นมิตก็ดีใจก็สังขารก็คิดปรุงแต่งว่าทำอย่างไรให้สิ่งที่เราดีใจอยู่กับเราไปนานๆอันนี้จะเป็นสังขาร ความคิดปรุงแต่งถ้าคิดไปในทางความอยากก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าคิดว่าของดีอยากได้อยากให้อยู่กับเราเป็นนานๆพอไม่ได้ก็เสียใจหรือพอได้มาแล้วพอเขาจากเราไปก็เสียใจอีกเช่ mm hmm. นเดียวกับสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ชอบพอเห็นแล้วรับรู้แล้ว ก็อยากจะให้เขาหายไปพอเขาไม่หายไปก็วุ่นวายใจถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาท่านก็จะสอนว่าการชอบหรือการชังนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเป็นอันตรายก่อใจเพราะจะทำให้เกิดตัณหาความอยากสังขารความคิดสุงแต่นจะปรุงไปตามความอยาก ถ้ารักก็จะอยากได้ถ้าชังก็อยากหนีถ้ากลัวก็ก็อยากจะหนีถ้าหลงก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็อาจจะรักแต่รักในสิ่งที่เป็นอันตรายกับตนเช่นเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเรียกว่าหลงพอไปได้มาก็ต้องทุกข์ใจเพราะมันเป็นทุกข์ไม่เป็นสุข หรือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงอันนี้ก็เป็นทุกข์เพราะคิดว่าสิ่งที่สิ่งนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดพอสิ่งนั้นเขาจากไปก็เสียใจทุกข์ใจหรือเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราก็ไปยึดติดไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็ทุกข์ใจนี่คือ ความเห็นผิดเป็นชอบสัญญาเวลาเห็นอะไรแล้วอยากเห็นให้เกิดความรักเกิดความชังเกิดความกลัวเกิดความหลงวิธีที่จะทำให้เห็นแบบไม่เกิดความรักเกิดความชังเกิดความหลงเกิดความกลัวก็ต้องเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างที่ วิญญาณไปสัมผัสรับรู้เป็นทุกข์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอันนี้คือการแก้ความหลงแก้ความรักแก้ความชังแก้ความกลัวสัญญาของเราตอนนี้มันเป็นสัญญาของอวิชาโมหะคือเห็นผิดเป็นชอบจาผิดจา สิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขจำสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเรา <P ew> er> พอเกิดความจำผิดก็เกิดความคิดปรุงแต่งที่ผิดคิดอยากจะให้อยู่นานๆานอยากจะให้ความสุขกับเราอยากจะให้เป็นไปตามความต้องการตามความอยากของเรานี่คือ ความทุกข์ใจที่เกิดจากสัญญาความจำผิดจำจาไม่ตรงกับความเป็นจริงนั่นเองเช่นเห็นร่างกายก็เห็นว่าเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นทิดาเป็นนายกนายขอ เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นมหากษศัตริ์ความจริงสิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เป็นก็คือเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเกิดแก่เก็บตายอาการสามสิบสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก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 ส่วนที่ร้อนก็เป็นธาตุไฟส่วนที่ลอยเข้าลอยออกก็เป็นธาตุลมเราไม่เห็นความจริงเราไปเห็นความไม่จริงคือเราไปเห็นสมมุติกันเห็นร่างกายนี้เห็นป้ายที่ติดไว้ที่ร่างกายนี้ว่าชื่อในกอชื่อในขอมีฐานะเป็นประธานาธิบดเีเป็น นายกรัฐมนตรีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแต่สิ่งที่เราเห็นนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราถูกสอนให้ให้เห็นกันอันนี้เป็นเพียงสถานภาพของเขาแต่ความจริงของเขานี้คือเขาเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสอง เขาเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของพ่อของแม่ของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาก็เป็นเพียงดินน้ำนมไฟไม่ใช่ตัวสามีไม่ใช่ตัวภรรยาไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่ตัวพ่อตัวแม่ก็คือใจที่มาครอบครองร่างกายนั้น ใจที่ครอบครองร่างกายนั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาร่างกายตายไปใจดวงนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจดวงนั้นก็ถ้ายังมีความหลงอยู่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาหาความสุขต่อเพราะยังต้องการดูต้องการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถสัมผัส สิ่งที่ร้อนที่หนาวที่ที่นุ่มที่แข็งก็ต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเห็นว่าการเกิดการได้ร่างกายนี้เป็นทุกข์เพราะว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าหยุดความต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ นี่คือใจของผู้ที่ฉลาดใจของผู้ที่เห็นอริยสัจสี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกทุกเพราะความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนะดาบใดที่มีร่างกาย ที่มีการเกิดหลาบนั้นก็ต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จ ะ, ะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็อย่ามาเกิดเท่านั้นเองถ้าไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่มีร่างกายที่จะแก่จะเจ็บจะตายก็ใช้ระบบไร้สายกันไป ใจไม่ต้องมีร่างกายใจก็สามารถติดต่อกับใจดวงอื่นได้พระพุทธเจ้าติดต่อกับเทวดาได้หลวงผูมั่นติดต่อกับเทวดาได้ไม่ต้องใช้ร่างกายใจเข้าสมาธิเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็สามารถรับสัญญาณกระแสะจิตของจิตดวงอื่นได้สนทนาติดต่อกันได้โดยใช้จิตต่อจิต ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ระบบสายเพราะสายนี้มันไม่เที่ยงสายนี้มันขาดได้เช่นโทรศัพท์ที่แถวนี้มักจะขาดเรื่อยๆสายถูกขโมยมาตัดเอาไปขายขายช่างน้ําหนักขายขโมยก็พวกติดยาเสพติดเวลาเกิด การมาตัญหาอยากจะเสพยาเสพติดไม่มีเงินซื้อก็ไปตัดสายโทรศัพท์เพื่อเอาไปขายจะได้เอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพต่อนี่คือระบบที่ต้องใช้สายพอสายขาดก็ติดต่อกันไม่ได้พอร่างกายตายไปก็ติดต่อกับบุคคล น, นั้นไม่ได้เวลาพ่อแม่ตายไปก็ไม่สามารถติดต่อกับพ่อแม่ได้ ถ้าใช้ระบบร่างกายถ้าใช้ระบบจิตต่อจิตก็ยังติดต่อกันได้เข้าสมาธิกันก็สามารถติดต่อกันได้แต่ก็ต้องหุนคลื่นให้ตรงกันถึงจะรับสัญญาณกันได้เช่นเครื่องขยายเสียงแต่และบรวิษัทนี้เขาก็มีคลื่นสัญญาณไม่เหมือนกันถ้าเอาต่าง ต่างบริษัทมาใช้ก็ใช้รับสัญญาณกันไม่ได้ต้องเอาของบริษัทเดียวกันแลนะคลื่นอันเดียวกันถึงจะใช้ได้จิตที่จะติดต่อกันก็จะต้องมีสัญญาณคลื่นที่อยู่ในระดับเดียวกันถึงจะติดต่อกันได้คือใจต้องมีความผูกพันต่อกันเช่นพระพุทธเจ้า มีความผูกพันต่อพระพุทธมารดาสามารถส่งสัญญาณหาจิตหาจิตของพระพุทธมารดาได้ในสวรรค์สามารถติดต่อกันสนทนาธรรมกันสั่งสอนธรรมกันได้จนจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเทวดาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ใช่แต่มนุษย เพียงแต่ว่าต้องมีผู้ที่สอนที่มีความสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาได้พระอาหารหันต์บางรูปท่านก็มีพลังจิตที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้บางรูปก็ไม่สามารถติดต่อได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่วาสนาบารมีของแต่ละท่าน บางท่านเคยบำเพ็ญวาสนาบารมีมาทางนี้พอจิตสงบก็สามารถรับรู้เรื่องราวของกายทิพย์ได้สามารถติดต่อกับกายทิพย์สามารถสนทนากับกายทิพย์ได้สามารถสั่งสอนกายทิพย์ได้นี่คือ เรื่องของจิตที่ไม่มีวันตายพวกเราทุกคนนี้เป็นจิตทั้งนั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือจิตเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัวที่กลัวเพราะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเองเราก็เลยกลัวกลัว คิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วเราจะตายไปด้วยแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่เคยตายแต่เราเคยทุกข์ทุกข์มาตลอดทุกข์มาตั้งแต่นับวันเริ่มต้นไม่ได้จนถึงวันนี้ก็ยังทุกข์กันอยู่เราก็จะทุกข์กันอย่างนี้ต่อไปอีกถ้าเราไม่มาแก้ความหลง ไม่มาแก้ความกลัวไม่มาแก้ความรักแก้ความชังที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทางที่เราจะแก้ได้เราก็ต้องเอาความจริงมาแก้ถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเช่นเราก็จะไม่รักถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราว่าสวยว่างาม น, นั้นมันสวยเพียงชั่วคราว หรือสวยบางส่วนบางส่วนก็ไม่สวยเช่นร่างกายของคนที่เราเห็นว่าสวยเราก็สามารถมองให้เห็นว่าไม่สวยได้เพราะร่างกายที่ว่าสวยนี้ก็มีส่วนที่ไม่สวยเช่นส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังลองลอกหนังออกมาดูแล้วดูซิว่าจะสวยหัหยร่างกายนี้ถ้า หนังเสียไปแล้วเนี่ยดูสวยไหมที่สวยก็สวยเพราะหนังนี้ไม่ใช่เหรอถ้าเกิดหนังเป็นฝ้าเป็นด่างเป็นแพลเป็นเป็นปานอย่างนี้หรือเป็นแพ ท, ที่เกิดจากไฟไหมพอเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่สวยแล้วหรือถ้าดูภายใต้ของผิวหนัง ที่หุ้มหอก็จะเห็นว่าหุ้มหอกระโหลกศีสับที่ใบหน้าก็จะเห็นมีกระโหลกศีสับตามร่างกายก็มีโครงกระดูกกระดูกแขนกระดูกขาซี่โครงถ้าเห็นส่วนเหล่านี้แล้วก็จะระงับความรักได้ส่วนความชังเราก็พิจารณา ได้ดูส่วนที่สวยแทนก็ได้เวลาเห็นส่วนที่ไม่สวยก็ดูส่วนที่สวยได้แลดูส่วนที่เป็นธรรมดาของเขาว่าเขาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไ ป, ไปเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ เป็นต้นไม้บางต้นนีมีหนามมีอะไรมีเปลือกดูน่าเกลียดน่ากลัวจะตายไปแต่ททำไรเรากลับไม่เห็นว่าน่าเกลียดน่ากลัวแต่ถ้าเป็นหนังของคนเป็นหนังแบบนั้นก็จะเกิดความขยะแขยงขึ้นมาเราใช้การเปรียบเทียบดูได้ทาให้เราดูแล้วไม่ไม่ชังได้ดูแล้วเฉยเฉยได้ดูแล้วไม่รักได้ วความกลัวก็ดูว่ามันไม่ใช่ตัวเราดูว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราถ้ามันไม่ตัวเราแล้วเราไม่กลัวหรอกร่างกายของคนอื่นจะเป็นจะตายอย่างไรเราไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ได้ไปเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นเองนี่คือการมาแก้ปัญหาคือความรักชงังความหลงความกลัว ความหลงก็ต้องให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเรานั่นเองไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสัพเพธมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ให้ความสุขกับเราให้ความทุกข์กับเรามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่นิ่งไม่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่จเจริญก็เสื่อม เริ่มต้นก็จ ะ, จะเจริญเช่นเวลาคลอดออกมาจากคันร่างกายก็จะมีแต่จเจริญเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนเติบโตเต็มที่แล้วทีนี้ก็เริ่มเสื่อมแล้วเริ่มนับถอยหลังได้แล้วถ้าเป็นวันสิ้นปีก็เขาเรียกว่าเข้าดาวได้แล้วพออายุย่างเข้าไปห้าสิบหกสิบทีนี้ก็เริ่มนับถอยหลังได้แล้ว เหลืออีกยี่สิบปีเหลืออีกสิบเก้าปีเหลืออีกสิบแปดปีนับถอยหลังไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวถึงศูนย์ก็จบนี่คือวิธีแก้ความหลงแก้ความกลัวแก้ความรักแก้ความชังถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเราจะ ทำใจเฉยๆได้เป็นอุเบกขาไม่ต้องคิดปรุงแต่งเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นอได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินเอไม่ต้องมาแก้ให้มันเหนื่อยใครด่าเราก็ไม่ต้องไปแก้ใครก็จะกล่าวหาเราว่าเราดีเราชั่วเราอะไรต่างๆนานาก็ปล่อยให้เขาว่าไปให้เขาเหนื่อยเองเดี๋ยวเขาก็หยุดเองเราไม่ต้องไปเหนื่อยไปแก้กับเขาหรอก งั้นถ้าเกิดคนร้อยคนมาด่าเราเราก็ต้องไปแก้เพราะว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราห้ามเขามาด่าเราไม่ได้มาว่าเราไม่ได้เราอยู่กับความจริงกันแล้วกันถ้าสิ่งที่เขาว่าจริงก็ต้องยอมรับว่าจริงถ้าสิ่งที่ว่าไม่จริงก็ก็รู้ว่าไม่จริงเท่านั้นเองไม่ต้องไปแก้ไปอะไร คนที่หูเบาอยากจะเชื่อก็เป็นเรื่องของเขาสแสดงว่าเขาก็อยากจะเกลียดเราอยู่แล้วรอจังหวะเท่านั้นเองพอมีจังหวะให้เกลียดเขาก็จะเกลียดเราอยู่ก็ปล่อยเขาเกลียดไปถ้าเราไม่ต้องอาศัยใครมาให้ความสุขกับเราแล้วเราเห็นไม่เห็นจะเดือดร้อนเรามีความสุขอยู่ในตัวของเราแล้วเราไม่ต้องให้คนนั้นมาให้ความสุขกับเรา ไม่ต้องให้คนนี้มาให้ความสุขกับเราใครจะเพ่นเพื่อนเราก็ได้ใครจะเป็นศัตรูก็ได้เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปอยากให้เขาเป็นไม่ได้ไปทำให้เขาเป็นเขาเป็นของเขาเองแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราอยู่โดยที่ไม่มีใครก็ได้เราเข้าป่าอยู่คนเดียวก็ได้ไม่เห็นเดือดร้อนอะไร อตายในป่าก็ได้ถ้าไม่มีอะไรจะกินมันจะตายก็ใช้ระบบไล่สายไปไล่ระบบใช้ระบบไ ล, ล่ร่างกายไปเราใช้ได้สองระบบไปกลัวทําไมมีทั้งมือถือมีทั้งโทรศัพท์บ้านนี่โทรศัพท์บ้านใช้ไม่ได้ก็ใช้มือถือได้ใช่ั้มทุกวันนี้เราวุ่นวายกับโทรศัพท์บ้านกันไหมเมื่อก่อนนี้วุ่นวายกันแล้วเกินโทรศัพท์เสียทีหนึ่งนี้สายขาดต้องไปตามช่างมาต่อ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวล น, นะเรามีหลายระบบมีระบบสำรองตอนนี้พวกเรายังไม่มีระบบสำรองกันเรายังไม่มีระบบไร้ร่างกายกันเราจึงมาสร้างระบบไร้ร่างกายกันด้วยการภาวนาเข้าใจไหมระบบไร้ร่างกายก็คือสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เหมือนกับใช้โทรศัพท์ที่ไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์เป็นเครื่องมือติดต่อกันใช้ระบบไร้สายใช้ระบบไร้ร่างกายภาวนาทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่ต้องเดือดร้อนกับใครทั้งนั้นใครจะอยู่ใครจะไปใครจะรัดใครจะชังไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าการภาวนาให้สงบนี้มันสงบได้ชั่วคราวเท่านั้นเองพอออกจากความสงบมาพอเริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความรัดชังความกลัวความหลงที่ยังไม่ได้ถูกกําจัดไปก็จะหวนกลับคืนมาออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจอ เพราะการทำใจให้สงบด้วยสัมมภาวนานี้เพียงระ ง, งับความรักชังความกลัวความหลงไว้ชั่วคราวขณะที่ใจสงบความรักความชังความกลัวความหลงก็ทำงานไม่ได้เหมือนกับรถยนต์ถ้ารถยนต์เสียหรือรถยนต์จอดนิ่งอยู่ ผู้โดยสารก็ไม่สามารถขับรถยนต์ไปไหนมาไหนได้คนขับรถไม่สามารถที่จะขับรถให้พาไปที่นั่นที่นี่ได้<ม>ก็ต้องนั่งอยู่ในรถจนกว่าจะสตาร์ทรถได้ถึงจะขับรถออกไปได้<ม>แต่ในเวลาจิตสงบจิตก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จอดนิ่งอยู่เฉยคนขับรถหรือผู้โดยสารอยากจะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้ก็ต้องรอให้รถวิ่งก่อน พอรถวิ่งแล้วถึงจ ะ, ะควบคุมบังคับให้รถวิ่งไปในทางที่ตนต้องการได้เวลาใจสงบความลักความชางังความกลัวความหลงก็จะหายไปชั่วคราวพอใจออกจากความสงบออกจากสมาธิก็เริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มรับรู้สัญญาต่างๆวิญญาณเริ่มรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพระสัญญาก็เริ่มทํางาน ว่าเป็นรูปที่น่ารักหรือหน่าชังน่ากลัวลนหรือน่าหลงพอเกิดสัญญาขึ้นมาก็เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งก็คิดไปในทางอยากไม่ถ้าไม่อยากก็ถ้าไม่เป็นภาวะตันหาก็เป็นวิภาวะตันหาถ้าไม่เป็นวิภาวะตันหาก็เป็นกามะตันหามันก็จะคิดอยู่ในวงของตันหาทั้งสามนี้ ถ้าไม่มีใจรักไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตามาแก้สัญญาที่เห็นว่าน่ารักน่าชังน่ากลัวน่าหลงแต่ถ้ามีอนิจจังทุกขังอนัตตามาแก้มาเห็นว่าเป็นเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะหยุดความรักความชังความกลัวความหลงได้พอหยุดความรักชังกลัวหลงได้ สังขารความคิดปรุงแต่งก็ไม่ปรุงไปในทางการมตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาใจก็สงบไม่วุ่นวายนี้สงบอย่างถาวรเพราะความรักความชางังความกลัวความหลงนี้จะถูกความจริงทำลายไปหมดถูกความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทำลายไปหมด พ อ, อทำลายไปหมดแล้วทีนี้จะเข้าสมาธิหรือไม่เข้าสมาธิใจก็จะไม่คิดปรุงแต่งไปในทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาใจจะสักแต่ว่าเท่านั้นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นไม่ปรุงแต่งเพราะดูแล้วเฉยเฉยจืดชืดไปหมดเห็นอะไรก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง อันนี้ก็จะสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่มีร่างกายก็อยู่ได้ไม่มีเพื่อนก็อยู่ได้ไม่มีมิตรก็อยู่ได้ใครจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปไม่เป็นปัญหาอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ อยู่ก็ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่านั้นแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กับใจของตนอีกต่อไปเป็นภาระของใจเสียมากกว่าที่ต้องคอยรักษาดูแลร่างกายนี้แต่ถ้าการรักษาดูแลร่างกายหรือขันหานี้แล้วเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นที่คุ้มค่าคือประโยชน์สูงสุด คือให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความหลงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการแบกภาระของร่างกายและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เหลือบาป อ, อะไรแต่ถ้าแบกไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ทําให้ใครหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ได้ทำให้ใครหลุดพ้นจากความทุกข์แบบไปให้เสียเวลาไปเปล่าๆก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามวาละอันสมควรนี่คือเรื่องของการใช้จิตโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะร่างกายมันไม่เที่ยงมันมีอายุ ไม่เกินน้อยปีหลังจากนั้นมันจะไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขต่างๆให้กับใจได้นีนั่นก็เป็นความสุขปลอมเพราะนอกจากหาความสุขมาแล้วยังเอาความทุกข์มาให้ด้วยของทุกอย่างที่เราได้มานี้มันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านมันมีหัวมีก้อยมีสุขมีทุกข์แล้วก็ส่วนใหญ่ จะทุกมากกว่าสุขเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็ดีใจมีความสุขแล้วต่อมาก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับการฉูนเสียไม่คุ้มค่ากับความสุขที่ได้มาแต่ความสุขที่เราได้ทางใจนี้ไม่มีความทุกข์แถมมาด้วย เป็นความสุขล้วนๆสุขสองด้านเลยด้านหัวก็สุขด้านก้อยก็สุขอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่พวกเราควรที่จะสร้างขึ้นมาให้ได้เพราะถ้าเราได้ความสุขนี้แล้วความสุขนี้จะอยู่คู่กับเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไป แต่ความสุขทางร่างกายนี้จะต้องมีวันสิ้นสุดจะต้องมีวันหมดไปวันเวลาก็ใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันสาหรับพวกเราทุกๆคนเวลาที่อยู่ในโลกนี้จะน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่ร่างกายนี้จะทาประโยชน์จะหาความสุขเล็กๆน้อยๆก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะหมดไป หมดไปแล้วก็ต้องไปกลับมาสร้างใหม่มาสร้างร่างกายใหม่แล้วก็มาได้ความสุขได้ความทุกข์ใหม่ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบใช้เวลาที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เวลาอื่นจะไม่สามารถสร้างประโยชน์สร้างความสุขของใจได้อย่างถาวร ก็ามีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะสอนให้เราสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างความสุขที่ถาวรได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะสร้างความสุขชั่วคราวเช่นความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดเถรพความสุขที่ได้จาก ได้ลาบยศสรรเสริญแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ที่ดุนแรงตามมาด้วยหรือถ้าเราเจอนักปราชญ์ที่มีความรู้ในระดับความสุขระดับทานระดับศีลหรือระดับสมาธิเขาก็จะสอนให้เราให้เข้าสู่ความสุขระดับทานศีลสมาธิได้แต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวอีกเหมือนกัน ความสุขเหล่านี้มีวันเสื่อมหมดไปได้แต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเราจะพบกับนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกที่จะสอนให้เราเข้าถึงความสุขระดับวิปัสสนาระดับปัญญาเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมหมดไป ดังนั้นถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วจึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเหมือนกับได้รับรางวัลถูกฉลากรางวัลฉลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งแล้วเรามีโอกาสเอาไปขึ้นรางวัลได้แล้วถ้าเราไม่รีบไปขึ้นรางวัลถ้าเราตายไปก่อนเราก็จะไม่ได้รับรางวัลนี้ แล้วกลับมาชาติหน้าก็อาจจะไม่ได้ถูกรางวัล น, นี้ ก, ก็ได้เพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีผู้ที่จะคอยสอนคอยบอกให้เราสร้างความสุขที่ถาวรนี้ได้ดังนั้นโอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งในหลายล้านล้านโอกาสทีเดียวที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์เช่นเป็นเดรัจฉานเช่นเป็นสุนัขที่มาอาศัยอยู่วัดก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างมากก็ได้รับความร่มเย็นจากพระพุทธศาสนาได้กินข้าวก้นบาทพวกนกพวกอะไรก็อาศัยศาสนาเวลาพระล้างบาสนี่พระเทียข้าวทิ้ง เดี๋ยวนกก็มากินกันเดี๋ยวสุนัข ก, ก็มากินกันเดี๋ยวแมวก็มากินกันนี่เป็นประโยชน์ที่เดรัจฉานจะได้รับจากพระาศาสนาแต่มนุษย์นี้จะได้รับพระธรรมคําสอนอันประเสริฐแล้วถ้ามีศรัทธาที่แน่วแน่แก่กล้ามีความภาคเพียรที่แก่กล้าก็จะสามารถน้อมนําเอาไปปฏิบัติได้ ถ้าปฏิบัติได้ผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นอยู่ที่ตัวเราทุกคนที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธาแล้วเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่มีความเพียรพอหรือไม่ปฏิบัติพอหรือไม่ปฏิบัติแบบเต็มที่ได้หรือไม่ ทำทานได้อย่างเต็มที่หรือไม่สละความสุขจากการใช้เงินใช้ทองเอาเงินทองที่จะซื้อความสุขต่างๆนี้เอามาทําบุญให้หมดแล้วก็ออกบวชรักษาศีลภาวนาให้อย่างเต็มที่ถ้าทําอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ลว่าไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากถ้ามีความรู้ความฉลาดมีความสามารถ ความฉลาดมากเจ็ดวันก็สามารถที่จะบรรลุได้อันนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระธรรมครําสอนไม่ได้อยู่ที่พระอาหารหันตสาวุกท่านทําหน้าที่ของท่านแล้วท่านชี้บอกทางให้กับพวกเราแล้วอยู่ที่พวกเราจะมีความกล้าหาญที่จะสลัดความสุขที่ เป็นความทุกข์เสียมากกว่านี้ได้หรือเปล่าหรือยังติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญยังติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์อยู่ถ้ายังติดอยู่ก็จะไม่สามารถได้ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ mm. เราจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ mm. จะเอาทั้งความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็จะเอาความสุขที่เกิดจากการภาวนาทำใจให้สงบไม่ได้มันเป็นคนละทางกันเหมือนกลับมาถึงสี่แยกแล้วเราจะไปทางไหนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปเราจะไปสามทางไม่ได้เราต้องเลือกไปทางใดทางหนึ่งทีคขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปว่าเราจะไปทางไหนกัน เลี้ยวซ้ายก็ไปสวรรค์เลี้ยวขวาก็ไปนรกตรงไปก็ไปนิพพานเราก็ต้องเลือกเอาจะไปทางไหนถ้าเลี้ยวซ้ายไปสวรรค์ก็ทําบุญทําทานรักษาศีลห้าไปพังๆก่อนก็ไปสวรรค์ได้ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิจฉาศตัดชีวิ ต, ตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวง อันนี้ก็จะได้ไปทางอบายไปทางนรกถ้าอยากจะไปทางนิพพานทางก็ต้องถือศีลนักบวชต้องสละสมบัติเข้าของเงินทองสละความสุขทางตาหูจมูกลื้นกายต้องเจริญในขัมมะบาลมีต้องออกจากกามมสุขเช่นพวกที่มาถือศีลแตด นุ่งขาวห่มขาวอยู่วันนี้ก็เป็นพวกที่กำลังจะเดินตรงไปสู่พระนิพพานกันถือศีลแปดแล้วก็ปีกวิเวกอยู่ตามสถานที่สงบสงัดจเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่อยเปลยไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ลบความคิดออกไปให้หมด ลบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปให้ใจว่างหรือจะลบด้วยการจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายทำอะไรก็ให้เฝ้าอยู่กับการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นหรือจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้หรือจะใช้คําบริกรรมอย่างอื่นก็ได้ที่ทำให้ใจของเราไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทำให้ใจว่างพอเวลามานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายพอใจมีความสงบแล้วก็จะมีความสุขที่ทำให้การสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลล้นกายนี้คุบข้าหายเหน็ดหายเหนื่อยหายหิวหายหิวกับลูปเสียงกลิ่นลดพวดทาพะ พอใจสงบแล้วทีนี้ไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นลดถอดพากแล้วถ้ามีกิเลตมาเวลาออกจากสมาธิมาถ้ามีกิเลสมาชวนให้ไปหารูปเสียงกลิ่นลดก็ใช้ปัญญาสอนใจได้ว่าอยากกลับไปหาความทุกข์มันเป็นเหมือนยาเสพติดคนที่ไม่เสพเนี่ยสบายกว่าคนที่เสพคนที่ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นลดนี่สบายกว่าคนที่เสพนั้นอยากกลับไป อยู่กับความสงบนี้ดีกว่าท่านี้เราก็หยุดความอยากได้ตัดความอยากต่างๆไปจนหมดได้เลยนี่แหละคือทางที่จะไปสู่พระนิพพานต้องเป็นนักบวชถ้าจะไปสวรรค์ก็เป็นนักบุญไปก่อนทำบุญให้ทานไปทอดผ้าป่าไปทอดกรถินไปวางศีลาเลิกเมื่อวานนี้ก็ไปวางศีลาเลิกสร้างใจดีกันอีกแล้ว ไม่รู้จะสร้างกันเป็นสักกีหลังกันกี่องค์กันทําไมไม่สร้างพระพุทธเจ้ากันขึ้นมาสร้างพระอารหรันต์กนขึ้นมามีแต่เจดีย์แล้วไม่มีพระอรหันต์แล้วจะก็ดูไปพระอรหันต์ไปไว้เฮ่งจะไปเอาก็หากระดูกระดพระอรหันต์ไปใส่เจดีย์ได้ยังไงก็มีแต่พระธาตุมาจากไหนก็ไม่รู้ปาฏิหาริ์ทั้งนั้นเลยได้มีมีได้มาองค์หนึ่งแล้อยู่ดีๆก็โผลมาเป็นสิ่งน มากันเยอะแยะเลยเกินพระาธานเนี่ยไม่รู้มาจากไหนกันบ้างาาหาพระอรหันไม่ได้เลยมีแต่พระาธานตุ่นะฮะก็เพราะว่าชอบเป็นนักบุญกันไม่ชอบเป็นนักบวชกันถ้าเป็นนักบวชแล้วโอจะมีจะมีพระหาลนลหลังกระดูกพระอันนี์จะไม่รู้จะหาเจดีย์ที่ไหนไปบรรจุเพราะไม่มีนักบุญที่จะมาสร้างเจดีย์ให้บรรจุกัน นักบุญกลายเป็นนักบวชได้หมดเนี่ยนี่มันนักบวชมากลายเป็นนักบุญได้หมดมันเลยมีเตเจีดีเต็มไปหมดเลยแต่หากดูผ้าละหันพระาธาตุผ้ามันมบรรจุไม่ได้กันนะก็เลยต้องเอาพระาธาตุของพระพุทธเจ้าที่เสด็จมาโดยปาฏิหารอยู่ดีๆก็เสด็จลงมาไม่รู้มาจากไหนกันเต็มไปหมด พระธาตท่านทําอะไรให้เราได้ถามจริงท่านสอนธรรมะให้เราได้หรือเปล่าสอนให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้ให้ได้หรือเปล่าทำให้ไม่คิดกันบ้างพระธาตุมีไว้ทําไมพระธาตุท่านเทศให้เราฟังได้หรือเปล่าว่าเออทําอย่างนี้ทําอย่างนี้นะเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะไม่ได้หรอกพระธาตุนี้เหมาะกับคนที่ ยังไม่รู้จกักพระพุทธศาสนายังไม่รู้จักพระธรรมคาสอนยังไม่รู้แหล่งที่จะหาพระธรรมคำสอนว่าอยู่ที่ไหนพอเห็นพระธาตุก็เป็นเหมือนกับแผนป้ายบอกทางเท่านั้นเองเหมือนเราอยากจะไปห้องสมุดแต่เราไม่รู้ว่าห้องสมุดอยู่ตรงไหนถ้ามีป้ายปักไว้ตามทางว่าห้องสมุดอยู่ทางนี้นะไปทางนี้นะเราก็ไปกันพระธาตุนี้ก็เป็นเหมือนป้ายพระเจดีย์นี้ก็เป็นเหมือนป้ายบอกทาง บอกให้เราไปหาห้องสมุดไปหาธรรมะไปหาความรู้ไปศึกษาไปปฏิบัติกันแต่นี่ไม่ไปจะเอาแต่สร้างเจดีกันอยู่นั่นทำบุญกันอยู่นั่นไม่ยอมเข้าห้องสมุดพอเดินถึงห้องสมุดก็เดินเลยไปที่เจดีเลยเรานะยเราต้อง เข้าใจว่าเราต้องเจริญก้าวหน้านะต้องทําความเข้าใจว่าจากนักบุญต่อไปเราจะต้องเป็นนักบวชกันแล้วนะนะถ้ายังเป็นนักบุญกระอ ย, อยงนี้ก็ไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้เอาแล้วนะขอพา ก, ก่อนก่อสร้างไม่ดีสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะมันทําลายความสงบได้ไม่คุ้มเสีย ผู้ที่ต้องการความสงบก็ต้องตะลอดเปิดตรงไปหาที่ที่สงบภาวนาไม่ได้ไม่วิเวกไม่สงบสงัดมีคำถามอีกสองข้อครับเชิญครับต่อไปเป็นคำถามจัด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 ไม่มีถนนให้วิ่งมีแต่รถติดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังก็ต้องรอให้รถเขาขยับไปแล้วเราก็ขยับไปก็ต้องรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปอย่าไปดิ้นรนกวาดแกวงจะอยากจะไปมันก็ไปไม่ได้มันแบบกืนไม่เข้าคลายไม่ออกถ้ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกก็อมมันไปก่อน <laughs> อยู่กับหาความสุข ก, กับการอมไปก่อนนะ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 เป็นสามีเป็นภรรยาอยู่ก็ไม่มีวันจะไปได้แต่ได้เห็นว่าเขาต้องตายไปหมดเราก็ต้องตายไปหมดเราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็าตายเหมือนกันอย่างนี้ก็ไปได้เพราะผลมันเท่ากันไปก็ตายไม่ไปก็ตายเขาก็ตายเราก็ตายแต่เราไปเราอาจจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเราไม่ไปเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าจะเห็นต้องเห็นอย่างนี้ถ้าเห็นสัตยจะทำความจริงต้องเห็นว่าตายหมดไม่มีใครอยู่ไปตลอดรอดฝั่งจะช่วยกันยังไงก็เหมือนกับลอยคอยอยู่นีน้อยู่กลางทะเลนั่นแหละว่าไม่ถึงฝั่งกันท้คนจมน้ำตายกันหมดทุกคนฉะนั้นต่างคนต่างไหวยดีกว่าใครไหว้ได้ก็อาจจะไปถึงฝั่งได้ใครไหว้ไม่ได้ก็จมน้าตายไป มไม่ต้องมาห่วงกันเรื่องทำมาหากินเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องหาความสุขกับชีวิตนี้หรอกหาไปยังไงมันจะสุขขนาดไหนมันก็ตายเหมือนกันสู้ต่างคนต่างหาการหลุดพ้นกันจะดีกว่าถ้าเราไปก็อาจจะตามเราไปก็ได้ทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างบอพระพุทธเจ้าไปปั๊บ คนอื่นก็ตามไปเลยพระอนนท์ก็ตามไปพระนางประชาบดีโคตมีแม่เลี้ยงก็ตามไปแม่ก็ตามไปพุทธมารดาที่อยู่บนสวรรค์พระพุทธบิดาก็ตามไปลูกก็ตามไปลูกพระราหุลก็บวชก็เป็นพระอรหันต์พระม่เหสีก็ตามไปตามกันไปได้หมดเลยถ้าอยู่ด้วยกันก็กอดคอจมกันตายกันไปหมด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 ับมาพาเขาไปสวรรค์ไปนิพพานกันได้หมดเลยถ้ายังอยู่ด้วยกันก็ก็กอดคอกันจมกันตายไปจมน้ำตายไปกันหมด อ, มอันนี้ความจริงนะไม่ได้พูดแน่นพิจารณาดูเอาอพระพุทธเจ้าท่านคิดอย่างนี้ท่านถึงไปได้ถ้าถ้าคิดเหมือนพวกเราคิดเหมือนกับคนที่ถามคำถามนี้อยู่เขางยัดติดไปเรื่อยๆ หมดเรื่องนี้มันก็มีเรื่องเรื่องอื่นมาให้ติดต่อนเดี๋ยวเรื่องภรรยาแล้วเดี๋ยวเรื่องลูกเดี๋ยวเรื่องลูกก็เรื่องหลานต่อเรื่องหลานแล้วก็มีเรื่องเลนมาต่อมีเรื่องให้ต่ออยู่เรื่อยเื่อยเรื่องทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มองว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไปได้ไม่มีใครตาย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 ตั้งเบอร์ได้ว่าจะเอาเย็นขนาดไหนจะเอาไม่เย็นขนาดไหนเราไปตั้งเบอร์ได้แต่เวทนานี้เราไปตั้งเบอร์ไม่ได้มันจะร้อนก็ต้องปล่อยมันร้อนไปมันจะเย็นก็ ป, ป, ปล่อยมันเย็นไปมันจะครึ่งร้อนครึ่งเย็นก็ปล่อยมันครึ่งร้อนครึ่งเย็นไปใจของเราอย่าไปรักอย่าไปชังเท่านั้นเองปัญหาอยู่ที่ความรักความชังความชอบความเกลีย ใจชอบสุขขเวทนาใจเกลียดทุกขเวทนาดันั้นเราต้องเราต้องปรับมันคือเอาความรักมาดับความเกลียดเอาความชอบมาดับความเกลียดเอาความเกลียดมาดับความชอบเช่นเราเกลียดความทุกข์เราก็เอาความชอบความทุกข์มาดับมันถ้ามันทุกข์เราบอกเอยดีดีใจที่ได้พบกับเธอ ยินดีต้อนรับพอยินดีต้อนรับมันก็จะไม่ทุกข์แล้วเวลาเราเจอคนที่เราไม่ชอบถ้าเราทําใจอ้าไม่ชอบก็ต้องหัดชอบเขาว่าเจอกันแล้วนี่วันนี้ไปเกลียดเขาทำไมพอชอบครับมันก็มีความสุขแลมันไม่ทุกข์แลบเนี่เราต้องใช้วิธีหนามยอกต้องเอาหนามบงถ้าชักถ้ารักอะไรก็ต้องเอาความชังเอาความเกลียดมาแก้ความรัก ถ้าชังอะไรก็ต้องเอาความรักมาแก้ความชังดังนั้นถ้าเวลาเราเกลียดทุกขเวทนาเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเราก็ต้องบอกวันนี้ต้องชอบเขาท่านั้นแหละไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่าเกลียดหรือไม่เกลียดเขาก็ไม่หนีเขาไม่ไปแล้วแหละเขาต้องอยู่กับเราแล้วถ้าเขาต้องอยู่กับเราแล้วก็อยู่แบบรักดีกว่าอยู่แบบเกลียดถ้ารักแล้วมันก็สบายถ้าเกลียดแล้วมันก็เครียดมันก็ทุกข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 สั่งใจว่าอย่าไปสั่งเขาอยู่เฉยๆไปอย่าไปต่อต้านแล้วก็เอาใจมาทำความสงบกับการทำสมาธิไปก็ได้แต่นี่ต้องใช้ปัญญาก่อนใช้ปัญญาทำความเข้าใจก่อนว่าเรากำจัดเขาไม่ได้ให้เขาหายไปไม่ได้พอเรารู้แล้วทีนี้เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเราก็มาพุทโธพุทโธดูลมของเราไปเดี๋ยวมันก็จะสงบ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 วิธีได้อยู่อย่างสบายก็อย่าไปยุ่งกับมันเยอย่าไปอยากให้มันหายปวดพุดโทโธพุโทโธไปทำใจให้ยอมรับกับความปวดพอใจรับกับความปวดแล้วความปวดจะลดลงไปเหลือนิดเดียวเพราะความปวดส่วนใหญ่นี้มันถูกขยายขึ้นในใจตันหาความอยากนีเป็นตัวขยายความปวดของร่างกายให้รุนแรงขึ้นให้ใหญ่โตขึ้น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 แล้วความเจ็บปวดทางร่างกายนี้จะรู้สึกว่ามันเล็กน้อยเพราะความเจ็บปวดส่วนใหญ่อยู่ที่ใจแต่มันหายไปหมดแล้ว น, นี่คือวิธีพิจารณาทุกเวทนาทุกครั้งที่เกิดขึ้นอย่าไปคิดถึงวิธีเก่าวิธีเดิมให้คิดถึงหลักความจริงเป็นจริงของเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือเขาไม่่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน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 มันก็จะไม่ทุกข์ใจปัญหาของคนเราก็อยู่ที่การไม่ยอมรับความจริงหนึ่งทุกเวทนาก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งการสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่เรารักก็เหมือนกันเวลาสูญเสียนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะรับไม่ได้อยากจะให้เขากลับคืนมาอีกนี่ก็ไม่กลับมาแล้วเขาตายไปแล้วจะให้เขากลับมาได้อย่างไรหรือว่า เขาไปแล้วเขาไม่กลับมาหาเราแล้วเขาเลิกกับเราแล้วเราต้องยอมรับความจริงแล้วเราก็จะหยุดสร้างความทุกข์ให้กับใจเราที่เกิดจากความอยากให้เขากลับมาหาเราอีนี่คือวิธีแก้ความทุกข์ต่างๆแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยการเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจงเป็นอนัตตา เป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาไปก็ปล่อยให้เขาไปแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์เอาว่ามาคี่ลงมีข้อสงสัยตรงนี้นะคะเมื่ออย่างที่คุาพอาจารย์บอกว่าคือเราหมุนเสียตรงไปสู่ทันพา น, นะคะแล้วเรามีภานะ ตัวอย่างสมมุติว่าครอบ ค, อครัวหนึ่งนะคะมีลูกคนเดียวและแม่เขาเกิดป่วยแบบป่วยโดนที่ต้องอาศัยนเขาค่ะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยากจะไปในทางไปศุนย์การแล้วจะเกิดว่าเขาทอดทิ้งภาระตรงนี้ไปมันจะวิกลเป็นตามอักตันยูมันจะว่าอักตันยูก็ไม่เชิง เพราะว่าถ้าเราทำอะไรไม่ได้อยู่ไปก็ตายเหมือนกันแล้วเคยจะดูแลนี่ถ้าเราตายไปวันนี้แล้วใครจะดูแลเขาละกร น, นี่ในในกรณีอย่างนี้เะคะ่ะเพราะว่าปกติแล้วแล้วเวลาที่เราสองเขาเระะียนเราก็เจอต้องบอกว่า คือตัวเราเองหรือมก็ะ่ังกับทุกคนเราก็ต้องสอนว่าเราก็มีความกตัญญูต่อผู้มีพระอแล้วถ้าเกิดเหตุอย่างนี้และถ้าเราไปนะคะคือทีมีใครดูแลแม่หรอยังคือเราถามคำถามที่มันมีคำตอบที่ต่างระดับกันเข้าใจหรือเคือเราถามคำถามจากระดับของคนที่ยังมีความหลงอยู่ ยังหลงในสมมติในยังหลงในพ่อในแม่ในพี่ในน้องอยู่ถ้าเรายังมีความหลงอยู่กับโลกสมมุติเราก็ต้องปฏิบัติกับโลกสมมุติให้เหมาะสมกันผู้มีพระคุณกับเราเราก็ต้องทดแทนตอบแทนบุญคุณเป็นธรรมดาถ้าไม่ทดแทนตอบแทนบุญคุณแล้วก็ปล่อยปละละเลยตัวเองก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายอย่างนี้เรียกว่าปัตันตอยู่ ฉันไม่เลียยงดูพ่อแม่แต่เลี้ยงดูตัวเองอย่างดีมีบ้านใหญ่โตแต่ปล่อยให้พ่อแม่อยู่ในกระต๊อบอย่างนี้อะไอย่างนี้เรียกว่าอากตันอยู่แต่ถ้าไปออกบวชเพื่อที่จะไปแสวงหาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ลาบากกับพ่อกับแมอ่อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นอากตันอยู่เป็นการไปทําภารกิจของของตนทุกคนที่ต้องทากัน โดยเฉพาะโอกาสที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่เป็นโอกาสที่หายากมากแต่ก็ต้องพูดจากระดับของผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ทำอย่างนี้ได้เขาก็ต้องเห็นว่าพ่อแม่ก็เป็นเพียงดินน้ำยนไส้ดูแลหรือไม่ดูแลก็ต้องตายเหมือนกันมัอนคนระดับกันถึงพูดกันไม่รู้เรื่องอเขนะ้าใจไหม คนก็หาว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวกันแต่เห็นแก่ตัวทําไมไม่ทําแบบพระพุทธเจ้าบ้างพวกที่ไปว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวใช่ไหมคนมันอยู่ต่างระดับกันพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่ได้ถ้าพูดระดึพูดระดับสมมุติมันก็ต้องถ้าตนเองไม่ไปบวชแล้วตนเองหาความสุขกับราบยศสรรเสริญ แล้วก็ปล่อยให้พ่อแม่อยู่แบบอดอยากขาดแคนอันนี้ลราอาฆาตันอยู่แต่ถ้าตอนเองไปปฏิบัติไปบวชแล้วไปดุดพ้ันนี่อันนี้มันคนละระดับ ก, กันละใช้ใช้เรื่องเดียวกันมาพูดใช้มาตรฐานมาวัดกันอันเดียวกันไม่ได้แนละ้วเพราะท่านไม่ได้ไปหาหาหาความสุดทางราบยศเสร็เสริญท่านไปหาการวิธีรักษาโรคใจของท่าน ท่นเป็นเหมือนคนไข้ท่านไม่สามารถที่จะดูแลคนอื่นได้ตอนนี้เพราะจิตใจท่านมันทุกข์มากท่านต้องออกไปรักษาจิตใจของท่านก่อนแต่พอ ร, รักษาจิตใจของท่านหายแล้วท่านก็กลับมารักษาจิตใจของคนอื่นได้อย่างพระพุทธเจ้าพอตัดสรูวแล้วก็กลับมารักษาจิตใจของคนอื่นให้หายจากความทุกข์ได้ ดัการออกบวชนี้เป็นเหมือนกับการเข้าโรงพยาบาลจะว่าอาการอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้ล่ะเกิดโยมไม่สบายโยมต้องเข้าโรงพยาบาลนี้จะไปดูแลพ่อดูแลแม่ได้อย่างไรถ้าโยมเป็นโรคจิตนี้เป็นคนบ้าองนี้จะไปให้ดูแลพ่อแม่ได้อย่างไรใช่ไหมคนเราทุกคนเป็นโรคจิตโลกของความทุกข์ใจนี่เป็นโรคจิต ถ้าไปรักษาโรคใจนี่มันจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นอาการนันยู่ตรงไหนมันไม่เห็นจะเป็นครอนี่ในทางที่เป็นไปได้นะค ะ, ะคือใ น, ในเราพูดถึงในทางโลกแต่นในทางที่ทางธรรมนะครับเพราะว่าอันนี้โยบจะได้ว่าเวลาที่เราสอนนักเรียนนะคะเขจะได้ชี้เก็ได้ถูกทาง โยมก็คิดถึงในแง่ที่ว่าในสังคมนะในสังคมที่ว่าเอาเปิดถ้าหากวาที่บ้านเขาไม่มีใครเลยแล้วก็มีรูปคนเดียวแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะยมก็คิดมองยงคิดมองในแง่นี้ว่าแล้วถ้าเกิดแบบเขาเนี่ยอยากจะเป็นโห ด, ดแล้วเราก็จะทอดทาระแม่เขาไว้ยังไง น, นนะฮะยงโยมคิดในแง่นี้เลคะแล้วเวลาเราอย่างเช่าถ้ายกตัวอย่างอันนี้ให้นักเรียนฟัง เราก็จะได้ชี้ให้เขาได้ถูกทางหรือตอบคําถามเขาได้ว่าให้เขามองอล่างไรก็สอนไปในระดับของของของเขาสิเขาต้องมีความกระตันอยู่เขาก็ต้องอยู่ดูแลพ่อแม่เขาไปแต่ถ้าเขามีปัญญาระดับสูงกว่าเขาไม่ฟังเขาก็ไปอยู่ดีอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ไปอยู่ดีอะไงจะสอนอยังไงถ้ากตันอยูก็ต้องอยู่รับ ดูแลสมบัติของพ่อแม่ต่อไปพ่อแม่ศาสาร์สร้างมาเพื่อให้ลูกแล้วลูกไม่มารับดูแลต่อไปสอนได้บอกก็ได้แต่เขาจะเอารู้ไม่เอาไปไ ป, ไปบังคับเขาไม่ได้หรอกก็สอนไปบอกให้มีความกตัญญูอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่ไปสอนได้ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไม่ขัดกันแต่ใจของผู้ปฏิบัติแต่ละคนเขาจะรู้เองถ้าเขาจะไปก็ช้างก็ฉุดไม่อยู่ อย่างที่มีลูกเศรษฐีที่อยากจะบวชพ่อแม่ก็ไม่ให้บวชก็เลยอดข้าวไม่ยอมกินข้าวตอนในที่สุดพ่อแม่ก็ต้องให้ไปให้บวชดงนั้นธรรมะมันมีหลายขั้นห ล, หลายระดับจะเอามาใช้ปนกันไม่ได้ระดับของโยมโยมก็สอนใบก็ถูกแล้วสอนให้มีความกตัญญูสอนให้มีความ รับผิดชอบต่อผู้มีพระคุณแต่ที่นี้อยู่ที่ใจของใจของเขาอยู่ในระดับไหนเขาเป็นบัวระดับไหนถ้าเขาเป็นบัวระดับพ้นน้าแล้วเนี่ยมันจะต้องบานอย่างเดียวจะไปห้ามบัวไห้บานไม่ได้ถ้าใจเขาพร้อมที่จะเขาเขาที่จะหลุดพ้นเนี่ยเขาจะเขาก็ต้องไปตามตามวาระของเขาแต่เราไม่ใช่มีหน้าที่ที่ไป ไปสอนเขาอย่างนั้นแต่เขาจะไปของเขาเองเรามีหน้าที่สอนตามความรู้ในในระดับของเราเราก็สอนไปสอนให้มีความกตัญญูกตวเวทีสอนให้ดูแลพ่อให้แม่ให้มีความเคารพอันนี้สอนไปก็ไม่เสียหายทางไหนไม่ขัดกันแต่สำหรับคนที่เขาจะไปนี้เขาก็มีเหตุผลของเขาใจของเขามันไม่ได้เป็นเหมือนใจของเราแล้ว ใจเขาอยู่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเขาเห็นความจริงที่เรามองไม่เห็นเขาเห็นใจรักเขาเห็นอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่าขัดกันนี่นี่สอนก็นไม่ได้สอนให้ไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีความากระตันอยู่สอนให้มีความกระตันอยู่แต่ก็ แล้วแต่สถานภาพของแต่ละคนว่าจะทำอะไรได้อย่างไรหรือไม่ก็เพียงแต่มีบอกว่าทางที่ไปนี่มันดีกว่าทางที่อยู่กันเท่านั้นเองแต่ถ้ายังมีความกตัญญูก็อยู่ไปยังมีความห่วงใยบิดามารดาหรืออะไรก็ตามก็อยู่ไปไม่มีใครบังคับให้ไปจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ พอจะเข้าใจไหมใช่คะคือว่าเพราะถ้าเราเจอถ้าเราเจอกัลนินอย่างนี้ก็จะได้ชี้แจงชีแจงก็ได้ได้ตามนี้ค่ะอือคือระดับจิตของคนก็มีหลายระดับเพราะพะุทธเจ้าจึงสอนให้ปฏิบัติตามขั้นไฟขั้นตอนแรกทัานก็สอนให้ทำทานไปก่อน ทำทารแล้วขั้นที่สองก็ให้รักษาศีลขั้นต้นก็รักษาศีลห้าพอรักษาศีลห้าได้ก็ให้รักษาศีลแปดพอรักษาศีลแปดก็ให้ภาวนาได้ภาวนากี่นี้ก็ต้องปิดเวกต้องไปอยู่คนเดียวตอนนี้ก็อาจจะไปทาภารกิจให้กับผู้อื่นไม่ได้นะแต่ถ้ายังต้องทายังติดภารกิจอยู่ก็ต้องแบ่งแบ่งรับแบ่งสู้ไป แบ่งเวลากันไปก็ไปไปไปมามาได้อยู่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ไม่ต้องเลี้ยงดูเจ็ดวันตลอดเวลาเลี้ยงดูก็อาจจะเตรียมอาหารเตรียมข้าวเตรียมของไว้ให้พอแล้วก็ไปไปสักระยะหนึง่งเสร็จแล้วก็กลับมาใหม่ก็อาจจะทำอย่างนี้ไปจนกว่าพ่อแม่จะตายจากไปหรือหมดภาระกันไป แล้วก็ค่อยไปวิธีที่จะไปก็ทําได้หลายหลายหลายหลายหลายวิธีด้วยกันทีนี้กลัวว่าบางทีก็จะใช้อารมณ์ทํากันท่านนึงเวลาอยากจะไปก็หรือเวลาเบื่อกับสิ่งที่อยู่ก็หาเหตุที่จะไปแล้วความจริงไม่ได้อยากไปเพราะอยากจะไปแต่ะที่ไปเพราะอยากจะหนีภาระรับผิดชอบไปก็ได้ ถ้อย่างนี้ก็ก็จะเป็นเป็นกิเลสถ้า ก, การบวชนี้ก็ต้องได้รับการรับอนุ ญ, ญาตจากพ่อจากแม่ก่อนแล้วถ้ามีหนี้ก็ต้องปลดหนี้ให้หมดก่อนสตมื่อก่อนถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องได้รับอนุ ญ, ญาตจากพระเจ้าแผ่นดินก่อนือต้องต้องหมดภาระหมดความผูก ความรับผิดชอบต่างๆก่อนเป็นอิสระภาพก่อนถึงจะไปบวชได้พอทางศาสนาก็ไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาจมตีว่ายุโยงส่งเสริมให้คนทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้ายังมีความภาระความรับผิดชอบกับพ่อแม่พ่อแม่แม่อนุญาตให้บวชก็ก็บวชไปได้ แต่ถ้ามีอุบายสามารถทำให้พ่อแม่อนุญาตได้ก็ก็บุ่ได้ที่พูดนี้อาจจะพูดในทมขั้นเกี่ยวกับการปล่อยวางก็เลยอาจจะฟังแล้วมันอาจจะขัดกับทมที่สอนให้มีความรับผิดชอบดูแลกันช่วยเหลือกัน มันก็พูดยากเพราะว่าถ้าคอยมาดูแลคอยช่วยเหลือกันก็อาจจะทําให้ไม่พึ่งตนเองกันแต่ถ้าบอกให้ให้พึ่งตนเองก็อาจจะเกิดความร้ความเมตตาต่อกันต่างคนต่างดูแลตัวเองก็เลยไม่สนใจแยแสกับการดูแลคนอื่นความจริงมันก็ต้องผสมประสานกาันตามเหตุการณ์เหตุการณ์ปกติก็ใครช่วยตัวเองได้ก็ช่วยกันไป ตัวเองไปอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นแต่ถ้าอยู่ในวาระพิเศษเช่นไม่สามารถพึ่งตนเองได้อันนี้ผู้อื่นก็ควรที่จะให้ความเมตตาในการช่วยเหลือดูแลกันไปดนั้นถ้าเด็กๆฟังทำนี้บางทีก็อาจจะสับสนได้เพราะทำก็สอนให้ตนเป็นที่พึ่งของตนแต่ในขณะเดียวก็ก็สอนให้ ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้มันก็ต้องมีการขยายความว่าทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าเมตตาทำอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการปล่อยให้เขาช่วยตัวเขาเองเราก็ต้องดูว่าเขาช่วยตัวเขาเองได้หรือเปล่าถ้าเขาช่วยตัวเองได้ก็ต้องปล่อยให้เขาช่วยตัวเขาเองไปอย่าไปทําให้เขาทาให้เขาแล้วเขาก็อาจจะเอ เสียนิสัยต่อไปทําอะไรเองไม่ได้เช่นเลี้ยงลูกนี่ถ้าทําอะไรให้ลูกทุกอย่างนี่ลูกโตขึ้นก็จะทําอะไรเองไม่เป็นล้างชามก็ล้างไม่เป็นซักเสื้อผ้าก็ซักไม่เป็นกวาดบ้านถูบ้านก็กวาดไม่เป็นอันนี้ก็แทนที่จะว่าเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีก็กลับทําเลี้ยงให้เขาเป็นคนไม่ดีไปเมตตา ม, มากเกินไปก็ไม่ดี ให้พึ่งตนเองมากเกินไปก็ไม่ดีจะกลายเป็นคนแบบไล่ไล่จิตใจไล่น้ำใจเกือกี่ว่าทุกคนต้องพึ่งตนเองเันก็ต้องใช้ใช้ปัญญาแยกแยกดูว่าควรไม่ควร ก็มีตัอย่างย่างนี้นะครับทุกศัพท์เนี่ยนะครัะเขารู้ว่าเจ็บปวดแต่เขาไม่รู้ถึงยี่สิบเนี่ยเขาไม่รู้ไม่เข้าว่านั่นเป็นสุขหรืู้ว่านั่นเป็นทุกข์อ๋อเขารู้เขารู้อะไรสุขเขาเรื่อทุกข์เขาถึงเลือกเนี่ยอะไรที่เป็นทุกข์กับเขาเขาก็จะกําจัดมันอะไรที่เป็นสุขกับเขาเขาก็จะปกป้องรักษาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ศีลรู้ธรรมเขาไม่มีสติปัญญาที่จะรู้ว่า การรักษาศีลนี่สําคัญเขาจะเอาทําตามอารมณ์ของเขาอะไรที่เป็นสุขทําให้เขาเป็นสุขถึงแม้จะต้องฆ่าจะต้องลักขโมยเขาก็จะทำํำเขาไม่มีความรู้ระดับศีลธรรมก็รู้ละความรู้ระดับสัญชาตญาณความรู้ว่าอันนี้สุขถ้าสุขก็ต้องหามาอันนี้ทุกข์ก็ต้องทําลายมันเขาจะรู้อย่างนี้ ถ้าเห็นอะไรที่เป็นศัตรูกับเขาเขาก็จะทําลายมันไปอะไรที่เป็นเป็นประโยชน์กับเขาเขาก็จะปกป้องรักษาเหมือนกันอันนี้เป็นสัญชาติเป็นเอ่อเป็นจิตระดับต่ำเขาเป็นจิตระดับเดรัจฉานไงส่วนจิตระดับมนุษย์นี่มีปัญญาพอที่จะแยกแยะความผิดถูกดีชั่วได้สามารถรู้ว่าการทําบาปนี้ เป็นบาปเป็นโทษนแต่ในรัชชานนี้ไม่รู้แต่ระดับของมนุษย์กับก็อาจจะตกไปเป็นระดับในรัชชานได้เช่นเป็นมนเป็นมนุษย์แล้วไม่รักษาศีลก็ก็เท่ากับว่าไม่ยอมรับรู้เรื่องศีลธรรมแล้วถึง แ, แม้จะถูกสอนในโรงเรียนแต่นั่นเป็นเพียงสัญญาความจําแต่พอถึงเวลาที่จะทําอะไรขึ้นมาจริงๆก็จะ จำไม่ได้จะทําไปตามความอยากของตนอยากได้อะไรเช่นที่เมื่อกี้เทศเรื่องตัดสายสายไฟสายโทรศัพท์เพื่อที่จะไปซื้อยาเสพติดเมื่อเขาเกิดความอยากจะเสพยาเสพติดอย่างรุนแรงถ้าไม่ได้เสพก็จะทุกทรมานใจวิธีที่จะดับความทุกข์ทรมานใจของเขาก็ต้องหายาเสพติดมาเสพทีนี้ถ้าเขาไม่มีอ สา ม, มารถชีพไม่มีอาชีพไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่พอเขาก็ต้องไปเสริมรายได้ด้วยการไปลักขโมยเขาก็อาจจะถูกสอนว่าลักขโมยไม่ดีลักขโมยแล้วถูกจับก็ติดคุกติดตารางเขาก็ยังเขาก็ยังยอมเสี่ยงเพราะว่าความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการอยากจะเสพนี้มันมันรุนแรง ปัญหาเฉพาะหน้าคือความความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความอยากส่วนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็คือจะถูกจับติดคุกติดตารางหรือไม่นี้มันยังไกลอยู่ไกลตัวอยู่เขาก็เลยไม่กังวลเขาต้องการจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ก็เป็นความคิดแบบเดรลฉานเดลฉานจะรู้หรือไม่รู้ถึงปัญหาที่จะตามมาต่อไป หลังจากที่ได้ทำบาปไปแล้วอันนั้นเขาไม่สนใจเขาต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจุบันนี้คือ ท, ทำอย่างไรที่ทำให้ความอยากของเขานนั้นสงบตัวลงไปทำให้ความทรม า, มานใจที่เกิดจากความอยากนี้หายไปก็ต้องทำในสิ่งที่อยากจะทำเดราจฉานเขาจึงไม่มีศีนห้า เดีวอยากจะเกิดการมารวมเขาก็ไม่สนใจว่าเป็นลูกใครเป็นสามีใครเป็นภรรยาของใครถ้าเขาอยากจะเสพเขาก็จะทำมนุษย์ที่ทำแบบนี้ก็มก็ใจก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ละแล้วใจเป็นเดรัจฉานอย่างที่มีคำพูดว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทพร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นมนุษย์เนี่ย ใจเป็นร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีลห้า ok งนี้เรียกว่าเป็นมนุษย์ ok ถ้ามีศีหหลห้าแล้วยังใจบุญสุนทานเอื่อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ก็เป็นเทพถ้าใจสงบมีสมาธิก็เป็นเป็นพรหม ok ถ้าปร่งได้ก็เป็นอริยะเจ้าได้ป ok ร่งอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ใจนี้สามารถขึ้นขึ้นลงลงได้ตามบาปตามบุญที่ทำไว้นั่นแหละทำบาปก็แสดงว่าใจมันเสื่อมลงไปในระดั i, บของอบายแล้วระดับเลร้าชานระดับเปรตระดับนรกนะถ้าใจรักษาศีลได้ใจก็เป็นเทพเป็นมนุษย์ได้ท่านเพิ่งพูดว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสันกรรมก็คือการกระทำ ทำบุญก็จะเป็นสัตว์แบบหนึ่งทำบาปก็จะเป็นสัตว์อีกแบบหนึ่งอีกอีกประเภทหนึ่งทำบาปก็จะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกทำบุญก็จะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าถ้าเป็นบรรดาผู้เดรัจฉนนะครับฐานตรวสอบที่ นู่มือหน้าต่อสายมาได้เนี่ยนะสา ม, มารถจะลงไปช่วยคุณได้บ้างกนสอนหมาได้หรือเปล่า <c oughs> บ้างตัวก็สอนได้ใช่ไหมหมาบางตัวสอนได้ <c oughs> ตอนเด็กๆสอนมันเช่นมาฝรั่งนี่เขาจะสอนให้รู้จักถ่ายอุจจาระตามสถานที่ที่ควรเช่นตอนที่มันเกิดมาใหม่ๆมันปวดตรงไหนมันก็ถ่ายตรงนั้นแต่ทุกครั้งที่มันถ่ายแล้วเราก็เอามันมา ตีมันสักทีแล้วก็เอาจมูกมันจี้ไปตรงที่มันถ่ายนะให้มันรู้ว่าที่มันถูกตีเพราะมันทําอย่างงี้ครั้งต่อไปเวลามันอยากจะถ่ายมันจะไปที่ประตูแล้วพอเราสอนมันแล้วเราก็โยนมันออกไปข้างนอกให้มันรู้ว่าที่จะถ่ายต้องอยู่ข้างนอกต่อไปเวลามันจะถ่ายมันก็จะไปร้องอยู่ที่หน้าประตูว่ามันอยากจะออกไปถ่ายนะ้ก็สอนได้สอนในบางอย่างก็สอนได้แต่สอนบาง ของที่มันละเอียดกว่านั้นมันอาจจะสอนไม่ได้เพราะมันไม่สามารถสื่อกันภาษาเดียวกันได้ว่าอยู่ขโมยแล้วจะต้องถูกตีนะแต่ก็สอนหมาได้ถ้ามันขโมยของเราเราก็ตีมันตีมันทุกครั้งต่อไปมันก็ไม่กล้าขโมยแต่ถ้าเจอตัวดื้อ ม, มันก็ไม่สนใจคนก็เหมือนกันนะคนบางคนก็สอนได้บางคนก็สอนไม่ได้ การจะสอนได้ไม่ได้มันมีสองอย่างคือภาษาสองสันดาณของผู้รับคำสอนว่าเป็นสันดาณแบบไหนถ้าเป็นสันดาณที่ที่ดีก็สอนสอนง่ายถ้าสันดาณไม่ดีก็สอนยาก พระพุทธเจ้ก า, ยยาก็เหมือนสอนพวกเราพวกเราก็เป็นเหมือนหมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนคราหมอนะหม า, หมาบางตัวก็เชื่อบางตัวก็ไม่เชื่อเห็นแต่ว่าท่านพูดภาษาเดียวกันกับเราเราเราฟังรู้เรื่องแต่ฟังรู้เรื่องแล้วแต่ถ้าใจเราไม่ยอมรับ ก็ไม่สามารถที่จะทาตามได้มันก็อยู่ที่ใจของเราว่าใจของเรามันหนักไปในทางไหนมีความผูกมัมีความผูกพันที่อยากจะไปทางไหนถ้าอยากจะไปทางบาปมากพระพุทธเจ้าสอนอยังไงก็ไปไม่ได้หรือสอนให้ไปไม่ใจไม่ชอบไปทางบุญเช่นในฉันนะนี่กับพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ให้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ พราเขาไม่ไปใจเขาไม่ไปแต่พระลาหุนท่านสอนแล้วไป อ, อยู่ที่ใจของคนที่ถ้าสื่อกันด้วยภาษาได้แล้วก็อยู่ที่ใจของเขาว่าจะไปได้หรือไม่ได้จะจะเลิกนิสัยเก่าได้หรือเปล่าเปลี่ยนนิสยัยทำเปลี่ยนนิสัยเก่าให้เป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาได้หรือเปล่าเปลี่ยนจากการ ชอบเสษกรรมมาเสพความสุขที่เกิดจากความสงบได้หรือเปล่าอันเนี้ยมันต้องเปลี่ยนพวกเรายังเปลี่ยนไม่ได้เลยพวกเรายังติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะกันอยู่ถามไปก็กลับมาโดนตัวเราเองอย่าถามดีกว่า พูดเรื่องหมาเรื่องเดรัชานทำไมกลับมาถึงตัวเราได้เราพอแล้วน่เสี่โมงแล้วเราจเรียนถามว่าเออหนูอนชอบสวดหาสติปัฏานนะคะสวดไปมันยาวมากเลยสวดไปก็ก็พิกไป่าเนื่อยจะจบไม้เยอยากจะเรียนถามว่าถ้าเราจะ สวดเฉพาะช่วงที่เป็นใจเยอะพราตแบ่งแค่ไหนก็ล้วแต่เราไงเราอยากจะได้มากได้น้อยไม่อยู่ที่เราอยู่ที่ความสามารถของเราด้วยก็วันนี้เราสวดส่วนนั้นแล้ววันพรุ่งนี้เราเน้นเราก็สวดอีกตอนหนึ่งก็ได้สลับกันไปเพราะถ้าเราสวดแล้วเข้าใจความหมายมันก็จะได้ความรู้ด้วยไงจะได้ดูว่าการเจริญสติ จเจริญเวทนาเป็นสตินี้จเจริญอย่างไรจเจริญจิตเป็นสติจเจริญอย่างไรจเจริญสติด้วยธรรมเจริญอย่างไรก็ได้โดยจะเอาแต่ร่างกายก่อนก็ได้คือการสวดความจริงนี้ก็เป็นอุบายเพื่อให้เราทําใจให้สงบเท่านั้นเองอั น, นั้นเป็นเป็นอุบายเวลาใจเราชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เอามาสวดมนต์ สวดมนก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อพอไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจมันก็สงบใจก็เย็นได้หายฟุ้งซ่านได้อันนี้ก็เป็นอุบายของการทำใจให้สงบด้วยการใช้การสวดมนต์จะสวดบทไหนก็ได้สวดทั้งบทก็ได้สวดครึ่งบทก็ได้แล้วแต่เราสวดคำเดียวก็ได้สวดพุทธโธคำเดียวก็ได้ อันนี้เป็นอุบายเท่านั้นเองเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ใจสงบแต่ถ้าอยากจะสวดเพื่อให้จำได้ให้รู้ความหมายของสิ่งที่เราสวดแล้วเอาความรู้ที่เราได้จากการสวดนี้มาปฏิบัติกับใจของเราให้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตนี้ถ้าถ้าอย่างนี้ก็ก็ต้องรู้เข้าใจความหมาย ก็เป็นเป็นเหมือนคู่มือของการปฏิบัติเพราะสิ่งที่เราต้องปล่อยวางก็คือร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตไม่ยึดติดกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปภายในจิตอารมณ์ดีก็ไม่ยึดอารมณ์ร้ายก็ไม่ยึดให้รู้ว่าเป็นเหมือนกับฝนตกแดดออก มืดฟ้ามัวฝนบางวันก็สว่างสวัยบางวันก็มืดฟ้ามืวอฝนแต่ใจเราอย่าไปรักไปชังอย่าไปเกิดอารมณ์กับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในจิตนั้น